มือมนุษย์ตอนที่ดีเรื่องลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลกวิปัสสนาเป็นการปฏิบัติทางจิตเพื่อยกจิตให้สูงขึ้นขนาดที่ความทุกข์ใจครอบงำไม่ได้ จึง้นทุกข์ด้วยอำนาจของการรู้แจ้งว่าไม่มีอะไรที่น่ายึดถือแล้วสิ่งต่างๆในโลกก็จะไม่มีอิทธิพลทําใจเราให้หลงรักหรือหลงชังอีกต่อไปเรียกว่าจิตอยู่เหนือวิสัยของชาวโลกขึ้นถึงฐานะอันใหม่ที่ท่านเรียกว่าโลกุตรภูมิการที่จะเข้าใจโลกุตรภูมิได้ชัดเจน เราจําเป็นต้องรู้เรื่องที่ตรงกันข้ามกล่าวคือโลกิยภูมิด้วยเหมือนกันโลกิยภูมิก็คือระดับของจิตที่สิ่งต่างๆในโลกมีอิทธิพลเหนือจิตแบ่งโดยสรุปที่สุดออกเป็นสามพวกกล่าวคือกามาวจรภูมิ หมายถึงระดับของจิตที่ยังพอใจอยู่ในกามทั้งปวงถัดไปคือรู ป, ปาวจราภูมิได้แก่ฐานะของจิตที่ไม่ต่ําจนถึงกับพอใจในกา ม, มคุณแต่ว่ายังพอใจในความสุขซึ่งเกิดจากสมาบัติที่เพ่งรูปเป็นอารมณ์อันไม่เกี่ยวกับกามภูมิที่ถัดไปอีกคืออรูปาวจราภูมิ นี่คือสถานะของจิตที่ยังพอใจในความสุขสงบที่สูงขึ้นไปกว่านี้อีกชั้นหนึ่งเกิดความสงบโดยยึดสิ่งไม่มีรูปเป็นอารมณ์ถ้าจะจัดให้เป็นคู่ๆระหว่างภูมิกับภพบก็มีทางที่จะทำได้ ภูมิหมายถึงสถานะหรือระดับแห่งจิตใจของผู้นั้นส่วนภพหมายถึงภาวะเป็นอยู่ที่เหมาะสมแก่ผู้ที่มีภูมิแห่งจิตใจเช่นนั้นเช่นนั้นฉะนั้นผู้ที่ติดอยู่ในกามาวจรรภูมิก็คู่กับกามาวจรรภพรูปาวจรรภูมิก็คู่กับรูปาวจรรภพและอรูปาวจรรภูมิ คู่กับอรูปะวัจระพบคำว่าภูมินั้นหมายถึงสถานะทางจิตใจคำว่าพบหมายถึงภาวะเป็นที่อยู่ที่อาศัยของผู้ซึ่งมีจิตใจต่างๆกันจึงแบ่งได้เป็นสามภูมิสามพบ โลกิยภูมิคือสถานะทางใจของสัตว์สามันทั่วๆไปแม้จะสมมติเรียกชื่อต่างกันเป็นมนุษย์เป็นเทวดาพรมสัตว์เดรฉานหรือเป็นสัตว์นรกก็ตามก็รวมอยู่ในสามภูมินั้นคนหนึ่งหนึ่งในโลกนี้อาจจะมีจิตใจอยู่ในภูมิใดภูมิหนึ่งในเวลาใดเวลาหนึ่งได้ด้วยกันทั้งนั้น ไม่เป็นการเหลือวิสัยแต่ส่วนมากจะต้องตกอยู่ในกามาวาจะรับูมิเป็นธรรมดาคือจิตของมนุษย์โดยปกตินั้นตกอยู่ใต้อิทธิพลของความอริตร่อยทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส แต่ในบางคราวบางโอกาสอาจจะพ้นออกมาได้จากอิทธิพลของสิ่งยั่วยุเหล่านี้ได้เพราะอาศัยจิตให้ไปจดจ่ออยู่ที่ความสงบอันเกิดจากการเพ่งที่รูปธรรมหรืออรูปธรรมเป็นอารมณ์แล้วแต่การเพ่งฉะนั้นในบางคราวจิตของมนุษย์เราจึงอยู่ในลักษณะที่เป็นรูปาวจรภูมิหรืออรูปาวจรภูมิก็มี สำหรับในอินเดียครั้งสมัยพุทธกาลนั้นนับว่ามีมากเพราะว่าผู้ที่ออกสแสวงหาความสงบสุขชั้นรูปาวาจราภูมิหรืออรูปาวาจราภูมินั้นอาจจะกล่าวได้ว่ามีอยู่ทั่วๆวไปในป่าสำหรับบัตรนี้มีน้อยแต่ถึงอย่างนั้นก็กล่าวได้ว่าเป็นฐานะที่คนทั่วทั่วไปจะเข้าถึงได้อยู่นั่นเอง ทั้งยังกล่าวได้อีกว่าเมื่อใดจิตของผู้ใดตั้งอยู่ในภูมิใดเมื่อนั้นภาวะที่เขากำลังอาศัยอยู่นั้นก็จะกลายเป็นภพที่มีชื่อนั้นไปทันทีเช่นใครคนหนึ่งในโลกนี้กำลังเป็นสุขอยู่ด้วยรูปาวจระสมาบัติโลกนี้ก็กลายเป็นรูปาวจระภพสำหรับเขาไปเพราะเขาไม่รู้สึกในสิ่งอื่นใด นอกจากรูปาวัจระภูมิโลกนี้ขณะนั้นและสำหรับเขาผู้นั้นก็มีค่าเท่ากับรูปาวัจระพบไปจนกว่าฐานะแห่งจิตใจของเขาจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นผู้ที่อยู่ในภูมิทั้งสามนี้ถึงแม้จะรับความสุขความสงบ ชนิดที่เหมือนกับว่าเป็นก้อนหินก้อนดิ น, ห, นหรือท่อนไม้ไปแล้วแต่ก็ยังมีความยึดถือตัวตนยังอาศัยตันหาต่างๆชนิดตลอดถึงตันหาชนิดที่ละเอียดที่สุดเช่นไม่ชอบภาะวะที่ตนอยู่ตนเป็นจนทำให้ต้องแสวงหาภาะวะใหม่มีการประกอบกันต่างๆด้วยอานาจของความอยากนั้นเพราะฉะนั้น จึงไม่เรียกว่าอยู่เหนือวิสัยโลกไม่ใช่โลกุตราภูมิจึงจัดไว้เป็นโลกิยาภูมิส่วนโลกุตราภูมินั้นมีจิตอยู่เหนือวิสัยชาวโลกมองเห็นสภาพของโลกเป็นของไม่มีสาระตัวตนที่เป็นแก่นสาร ใจไม่ต้องการสิ่งใดๆในโลกพวกที่ตั้งอยู่ในโล ก, กุตรารภูมินี้ยังแบ่งออกเป็นชั้นๆตามหลักพุทธศาสนาเป็นมัชเป็นผลสี่ชั้นด้วยกันคือชั้นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ความเป็นพระอริยาบุคคลสี่จำพวกนี้หมายถึงโล ก, กุตรารภูมิ คำว่าโลกุตระแปลว่าอยู่เหนือโลกหรือยิ่งไปกว่าโลกหมายถึงจิตใจมีได้หมายถึงร่างกายร่างกายนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้เป็นภาวะที่พอพักอาศัยของผู้ที่มีจิตใจอันตั้งอยู่ในโลกุตระภูมิได้ก็แล้วกันส่วนโลกที่ต่ำไปกว่านั้นเช่นนรกอบายหรือที่ทนทุกทรมาน เช่นคุกตารางจึงไม่เป็นภพที่สมควรแก่อริยะบุคคลโลกุตระภูมิแบ่งออกเป็นสี่ชั้นและสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างเป็นสี่ชั้นก็คือกิเลสต่างๆที่จะพึงละให้ขาดไปกิเลสในหมวดนี้ท่านจำแนกไว้เป็นสิบอย่าง เรียกว่าสังโยชน์แปลว่าเครื่องผูกพันอย่างพร้อมพรั่งเครื่องผูกพันทั้งสิบนี้ผูกพันคนหรือสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในโลกคนจึงตกอยู่ในวิสัยนี้และเป็นโลกิยาภูมิฉะนั้นถ้าตัดเครื่องผูกพันเหล่านี้ออกเสียได้จิตก็จะค่อยๆหลุดออกไปจากภาวะวิสัยของชาวโลกตามลาดับ เมื่อตัดได้หมดก็ถือว่าจิตหลุดออกไปสู่ความอยู่เหนือโลกเป็นโลกุตระภูมิโดยสมบูรณ์ในกิเลสชั้นละเอียดที่ผูกพันคนเราสิบประการนี้ประการแรกเรียกว่าสักยัติทิฐิแปลว่าความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของตนได้แก่ความเข้าใจผิด หรือสําคัญด้วยอุปทานเช่นคิดว่าตัวเรามีอยู่นั่นแหละคือความสําคัญผิดในที่นี้โดยที่คนเราทั่วๆไปไม่รู้จักอะไรมากไปกว่าร่างกายและจิตที่เนื่องอยู่กับร่างกายจึงเหมาเอาของสองอย่างนี้เป็นตัวตนโดยมีความเข้าใจว่ากายพร้อมทั้งจิตนี้เป็นตัวตนเป็นข้าพเจ้า สัญชาตยานว่ามีตัวเรานี่เองเป็นไปหนักแน่นมากถึงกับใครๆก็ย่อมคิดว่ามีตัวตนของตนอยู่ทั้งนั้นเพราะเป็นมูลฐานที่ทำให้ชีวิตทรงอยู่ได้ทำให้รู้จักป้องกันตัวทำให้แสวงหาอาหารหรือสืบพันธุ์เป็นต้นแต่ที่เรียกว่าศักยอาทิฐิในที่นี้ประสงค์เอาเพียงชั้นห ย, ยาบหยาบ ที่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวจัดถือเป็นกิเลสตัวแรกที่จะต้องละให้ได้ก่อนตัวอื่นๆสังโยชน์ข้อที่สองเรียกว่าวิจิกิจฉาหมายถึงความสงสัยเป็นเหตุให้ลังเลไม่แน่ใจส่วนใหญ่ที่สุด ประสงค์เอาความสงสัยในเรื่องการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ลังเลเพราะไม่รู้จริงเช่นสงสัยว่าเรื่องนี้มันอย่างไรกันแน่การปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์มันเป็นของที่เหมาะสมแก่ตนหรือไม่ทำได้หรือไม่มันดีกว่าสิ่งอื่นจริงหรือไม่ทำได้จริงๆหรือเปล่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ตรัสรู้ถูกต้องจริงหรือ เป็นบุคคลที่หลุดพ้นจากความทุกจริงหรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์จะนำไปสู่ความดับทุกได้จริงหรือพระอริยสงฆ์ปฏิบัติพ้นทุกได้จริงหรือมูลเหตุของความหลังเล ก, ก็คือความไม่รู้อันได้แก่อวิชชา เหมือนกับปลาที่เคยอาศัยอยู่แต่ในน้ำถ้าใครเล่าให้ฟังถึงเรื่องบนบกมันคงไม่เชื่อถ้าเชื่อก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งคนเราที่จมอยู่ในกามรมก็เหมือนกันเคยชินกับกามเหมือนปลาอยู่ในน้ำเมื่อพูดถึงเรื่องอยู่เหนือกามเหนือโลกก็เข้าใจไม่ได้ที่เข้าใจได้บ้างก็ยังลังเล ความรู้สึกฝ่ายต่ำมีอยู่ในสันดานส่วนความรู้สึกฝ่ายสูงนั้นเพิ่งจะก่อรูปขึ้นใหม่การโต้แย้งกันระหว่างความรู้สึกฝ่ายสูงกับฝ่ายต่ำนั่นแหละคือการลังเลถ้ากำลังใจไม่เพียงพอความรู้สึกฝ่ายต่ำมักชนะวิจิกริชชาหรือความลังเลในความดีเป็นของมีประจำอยู่ในคนทุกคนมาตั้งแต่เกิด คนที่ได้รับการอบรมมาผิดๆอาจจะมีมากขึ้นจะต้องพิจารณาให้เห็นโทษของความลังเลใจซึ่งมีอยู่ในการงานมีอยู่ในชีวิตประจำวันจนเป็นผู้ไม่อาจมั่นใจในความดีความถูกต้องหรือความพ้นทุกข์เป็นต้นทีนี้มาถึงสังโยชน์ข้อที่สาม เรียกว่าศีลพัตะปามาทแปลว่าการจับฉวยศีลและวัดผิดจากความมุ่งหมายที่ถูกต้องโดยใจความก็คือการติดแน่นยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเคยประพฤติธปฏิบัติมาด้วยความเข้าใจผิดส่วนมากเกี่ยวกับลัทธิประเพณีตัวอย่างเช่นการเชื่อพิธีไสยศาสตร์และการปฏิบัติทางไสยศาสตร์ต่าง นับเป็นสีลพตะปรามาตรโดยไม่ต้องสงสัยแม้ในเรื่องของพระพุทธศาสนาถ้าปฏิบัติไปด้วยความเข้าใจผิดว่าจะเกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์เกิดฤทธิ์อำนาจมาคุ้มครองเราได้อย่างนี้ก็เป็นการปฏิบัติโดยหวังผลผิดทาง และไร้เหตุผลอยู่นั่นเองตัวอย่างเช่นการสมาทานศีลหรือประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งที่แท้ก็เพื่อกำจัดกิเลสแต่ถ้าไปเข้าใจว่าจะทำให้เกิดอั น, นาจขลังศักดิ์สิทธิ์แล้วใช้ความขลังนั้นตัดกิเลสได้อย่างนี้ก็เป็นความยึดถือซึ่งผิดความมุ่งหมายเดิมการปฏิบัติอย่างเดียวกันแท้แต่ถ้าเข้าใจผิด โดยยุดมั่นในทํานองไร้เหตุผลหรือเห็นเป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วก็เป็นสีลพัตตปรามาฏไปทั้งสิน้นแม้ที่สุดสมาทานศีลปฏิบัติศิกขาบทด้วยความคิดว่าตนจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์อย่างนี้ก็ไม่ต้องสงสัยเลย ย่อมเป็นการจับฉวยศีลและวัดผิดความมุ่งหมายของพุทธศาสนาไปทำให้การรักษาศีลและพรหมจรรย์ของตนเศร้าหมองเพราะว่าความมุ่งหมายของพระวินัยนั้นก็เพื่อกำจัดกิเลสในส่วนห ย, ยาบหยาบทางกายและวาจาเพื่อให้เป็นรากฐานของสมาธิและต่อไปถึงปัญญาเป็นลำดับลาดับไปหาใช้มุ่งหมายเพื่อให้ไปเกิดในสวรรค์ไม่ นี่ได้ชื่อว่าทําศีลของตนให้ศกกระปรกเศร้าหมองไปด้วยความยึดถือที่ผิดด้วยอำนาจของความคิดที่ผิดเรื่องให้ทานก็ดีเรื่องรักษาศีลก็ดีเรื่องเจริญสมาธิภาวนาก็ดีซึ่งถ้าทําไปด้วยความสำคัญผิดต่อความมุ่งหมายที่แท้จริงของการกระทําเหล่านั้นแล้วจะต้องเป็นการกระทานอกลู่นอกทาง ของพระพุทธศาสนาทั้งนั้นฉะนั้นขอให้เข้าใจว่าแม้การปฏิบัติในวงของพุทธบริษัทเราถ้าทำไปด้วยความสำคัญผิดจนกิเลส ต, ตันหาเข้าครอบงำเช่นหวังในทางขลังทางศักดิ์สิทธ์เมื่อใดแล้วก็จะกลายเป็นสีลพัตตะปรามาสไปแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆ ที่ชาวบ้านเราชอบทํากันอยู่ทั่วๆไปเช่นการสวดมนต์ทำบุญบ้านหรืออะไรก็ตามจะต้องเอาข้าวสุกและสําหรับขาวหวานชุดหนึ่งมาตั้งไว้หน้าพระพุทธรูปเป็นทํานองเส้นวิ ญ, ญญาณพระพุทธเจ้าหรือเป็นการถวายข้าวพระเชื่อกันว่าวิ ญ, ญญาณของพระพุทธเจ้าจะได้ฉันข้าวที่จับทำมาถวายถ้าทําด้วยความรู้สึกหรือเข้าใจเช่นนี้แล้ว ก็ย่อมเป็นการปฏิบัติผิดความมุ่งหมายเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์โดยไม่ต้องสงสัยเรื่องการประพฤติผิดต่อความประสงค์ที่ถูกต้องนั้นนับว่ามีดาดดืนอยู่ทั่วๆไปในวงพุทธบริษัทเป็นการทำไปอย่างงมงายไร้เหตุผลทำให้ข้อปฏิบัติหรือระเบียบที่ดีงามอยู่แล้ว ต้องศกกระปรบไปด้วยความโง่เขลาและความหลงผิดของคนเหล่านั้นเองนี่คือความหมายของคําว่าศีลพตปรามานเราจะเห็นได้ว่ากิเลส ข, ข้อนี้มีมูลมาจากโมหะคือความเขลาเข้าใจผิดคนเราเคยถือของขลังถือของศักดิ์สิทธิ์มาแต่เดิม เพราะได้รับการสอนกันมาผิดผิดอบรมกันมาผิดผิดจึงเป็นสิ่งที่มีกันอยู่เกือบทุกๆคนอย่าต้องระบุรายละเอียดให้มากไปเลยมันจะเป็นเรื่องกระทบกระเทือนใจกันแต่ว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงเอาหลักเกณฑ์อันนี้ไปสอบสวนตัวเองดูก็แล้วกันกิเลสสามอย่างในพวกเรา คือสักกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาและสีลพตปรามาณนี้ถ้าละได้เด็ดขาดลงไปจริงๆก็เรียกว่าได้ตั้งอยู่ในโลกุตรภูมิอันดับที่หนึ่งคือเป็นพระโสดาบันไปแล้วการละกิเลสสามประการนี้ได้เด็ดขาดไม่ควรดูเป็นของยากเลย เพราะกิเลส ท, ทั้งสอย่างนี้เป็นของป่าเถื่อนที่คนป่าเถื่อนเขาถือกันเป็นของสำหรับคนป่าเถื่อนที่ไร้ความเจริญคนที่เรียกว่ามีการศึกษาดีหรือเจริญแล้วไม่ควรจะมีของสามอย่างนี้ถ้ายังมีอยู่ก็ต้องถือว่าจิตใจของคนนั้นยังป่าเถื่อนอยู่ผู้ใดลั ก, กิเลสสามประการนี้ได้จึงจะเป็นอริยชนได้ ถ้ายังละไม่ได้ก็ยังเป็นคนโง่เขลาเป็นคนหลงหรือที่เรียกอย่างดีที่สุดว่าปุถุชนแปลว่าคนที่มีผ้าปิดบังลูกตาหนาทึบปุถุแปลว่าหนาปุถุชนจึงแปลว่าคนหนาคือหนาด้วยเครื่องปิดบังลูกตาแห่งปัญญา เมื่อบุคคลใดละกิเลสสามประการนี้ได้ย่อมจะมีจิตใจที่เริ่มอยู่เหนือความผูกพันของโลกเพราะกิเลสทั้งสามนี้เป็นเครื่องผูกพันจิตให้ติดอยู่กับโลกเป็นความโง่เขลาที่ปิดบังความจริงและผูกพันจิตใจให้คนติดอยู่กับโลกครั้นเมื่อละได้สามขั้นก็เหมือนกับเพิกถอนสิ่งที่ผูกพันหรือปิดบังเสียได้สามอย่าง จึงหลุดลอยขึ้นอยู่เหนือโลกในระดับที่หนึ่งแล้วเรียกว่าพระอริยเจ้าในอันดับแรกจัดไว้เป็นโลกุตรภูมิอันดับแรกเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นพระโสดาบันคือผู้แรกถึงกระแสแห่งพระนิพพานคือจะถึงนิพพานในอนาคตแน่แน โลกุตระภูมิอันดับที่สองนั้นท่านหมายถึงการละเครื่องผูกพันสามอย่างที่กล่าวหมดสิ้นไปแล้วและยังสามารถทำโลภะโทสะโมหะบางส่วนให้จางไปอีกจนถึงกับมีจิตใจสูงมีความผูกพันอาลัยอยู่ในกามะพบแต่เพียงเล็กน้อยที่สุดถือกันว่าจะเวียนมาสู่โลกนี้เพียงครั้งเดียวจึงได้ชื่อว่า รัศกิทาคามีตอนนี้ควรทำความเข้าใจคำว่าพระโสดาบันเสียก่อนจะช่วยให้เข้าใจคำว่าสกิทาคามีง่ายขึ้นคำว่าโสดาบันแปลว่าผู้แรกถึงกระแสถ้าถามว่ากระแสแห่งอะไรก็ตอบว่ากระแสแห่งนิพพานนั่นเอง โสดาบันเป็นพูดถึงเพียงกระแสของนิพพานยังไม่ถึงตัวนิพพานกระแสนี้คือเกลียวที่ไหลไปสู่นิพพานกระแสของนิพพานย่อมมีความลาดเอียงไปทางนิพพานเหมือนอย่างลําแม่น้ําที่มีความลาดเอียงไปสู่ทะเลถ้าจิตตกไปในกระแสนี้แล้วแน่นอนย่อมไปถึงนิพพาน การถึงกระแสนี้หมายถึงว่าจะต้องบรรลุนิพพานแน่ๆในอนาคตแต่อาจจะยังอีกหลายเวลาเอาแต่ใจความว่าจะต้องถึงนิพพานอย่างแน่นอนส่วนพวกที่สองที่เรียกว่าสกิทาคามีนั้นใกล้ชิดนิพพานยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกจนถึงกับมีอะไรเหลืออยู่น้อยในความเป็นอยู่ในโลกนี้ถ้าจะกลับมาสู่อารมณ์แบบมนุษย์อีก ก็เพียงหนเดียวเพราะโลภะโทสะโมหะเบาบางลงมากแต่ยังไม่หมดไปโดยสิ้นเชิงอันดับที่สเรียกว่าพระอนาคามีพระอริยบุคคลชั้นนี้นอกจากจะละกิเลสชั้นต้นได้อย่างพระสกิทาคามีแล้วยังละสังโยชน์ข้อที่สี่ ทหได้อีกด้วยสังโยชน์ข้อที่สเรียกว่ากามราคะข้อที่หเรียกว่าปฏิฆะการราคะนั้นหมายถึงของรักของใครที่พระโสดาบันและพระสกิทาคามีละไม่หมดยังมีความพอใจในของรักของใครเหลืออยู่ทั้งทั้งที่ท่านละสักยัตทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสได้แล้ว แต่ก็ไม่สามารถละความติดในการราคะได้ทั้งหมดยังเหลืออยู่เป็นบางส่วนแต่พอมาถึงอันดับที่สามคือพระอนาคามีนี้ท่านย่อมละออกได้หมดไม่มีเหลือส่วนกิเลสที่เรียกว่าปฏิฆะหรือความรู้สึกโกรธหรือความขัดเคืองใจพระสกิทาคาามีล้างออกไปได้เป็นส่วนมากเหลืออยู่เพียงความหงุดหงิดความขัดข้องอยู่ภายใน ส่วนพระอนาคามีนั้นเอาออกได้หมดจึงเรียกว่าผู้ละกามราคะและปฏิฆะได้ที่เรียกว่ากามราคะหรือการติดความพอใจในกามนั้นได้อธิบายไว้อย่างมากแล้วในเรื่องกา ม, มุปาทานกิเลนี้เป็นสิ่งที่เกิดประจำอยู่ในใจ อยู่อย่างเหนียวแน่นราวกับว่ามันแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันยากที่จะเข้าใจได้ยากที่จะล้างออกได้สำหรับคนธรรมดาสิ่งใดเป็นที่ตั้งแห่งความรักใคร่จะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสชั้นไหนประเภทไหนลักษณะอย่างไรก็ตามก็เรียกว่ากามทั้งนั้นความที่จิตยังติดอยู่ด้วยความพอใจในสิ่งที่รักใคร่เช่นนี้ เรียกว่าการราคะได้ทุกวิถีทางที่เรียกว่าปฏิฆะนั้นเป็นความกระทบกระทั่งแห่งจิตที่รู้สึกไม่พอใจถ้าพอใจก็จัดเป็นการราคะไม่พอใจจึงจะเป็นปฏิฆะความรู้สึกส่วนมากของคนเรามีอยู่อย่างนี้ปฏิฆะอาจจะเกิดได้ แม้ต่อสิ่งที่ไม่มีวิญญาณและถ้ามากไปกว่านั้นก็ไม่พอใจแม้แต่สิ่งที่ทำเองหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเองส่วนที่มีอาการโกรธเกลียดพยาบาทคนอื่นนั้นเป็นปฏิฆะที่รุนแรงเกินไปซึ่งพระอริยบุคคลชั้นต้นๆ้นกว่านี้ก็พอจะละได้ตามสมควรที่เหลืออยู่สำหรับให้พระอริยเจ้าชั้นที่สามละ หมายถึงความกระเพื่อมแห่งจิตชั้นละเอียดจนบางทีก็ไม่ปรากฏอะไรออกมาเป็นความขุนอยู่ข้างในดูสีหน้าจะไม่ทราบว่ามีความไม่พอใจอยู่ข้างในเป็นต้นเช่นความหมงุดหงิดรำคาญขัดใจในคนหรือสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นไปตามปรารถนาถ้าผู้ใดละปฏิฆะทุกชนิดได้สิ้นเชิงท่านทั้งหลายลองคิดดู ว่าจะอยู่ในฐานะที่น่าบูชาสักเพียงไหรหรือเป็นบุคคลพิเศษสักเพียงไรกิเลสทั้งห้าข้อที่กล่าวมานี้แล้วท่านจัดได้ว่าเป็นขั้นต่ำนับตั้งแต่สักยทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตะปรามาสกามราคะจนถึงปฏิฆะ พระอริยบุคคลประเภทที่สาละได้หมดเพราะไม่มีการราคะเหลืออยู่เลยพระอริยเจ้าประเภทนี้จึงไม่เวียนมาสู่การมาพบอีกต่อไปเป็นเหตุให้ได้นามว่าอนาคามีแปลว่าผู้ไม่มีการกลับมาอีกมีแต่จะรุดหน้าสูงขึ้นไปเป็นพระอรหันและนิพพานหรือในภาวะอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการ คือพบของรูปพรมอันดับปลายๆส่วนกิเลสที่ยังเหลืออีกห้าอย่างข้างปลายนั้นพระอริยบุคคลประเภทที่สคือพระอรหันต์จึงจะละได้ทั้งหมดทั้งสิ้นกิเลสถัดไปอีกคือรูปราคะอันเป็นสังโยชน์ข้อที่หหมายถึงความรักใคร่ความพอใจในความสุข ที่เกิดมาจากรูปสมาบัติเหมือนที่เป็นแก่พวกโยคีที่เพ่งรูปเป็นอารมณ์พระอริยเจ้าสามชั้นแรกยังไม่สามารถละความสุขความพอใจที่เกิดจากรูปฌานได้แต่จะถอนได้ในเมื่อเลื่อนมาถึงพระอริยเจ้าชั้นสุดท้ายคือพระอรหันธ์ทั้งนี้ก็เพราะความสงบสุขเยือกเย็นอันเกิดมาแต่รูปบริสุทธ ก็มีรสชาติที่จับอกจับใจจนถึงกับพอจะเรียกได้ว่าเป็นพระนิพพานชิมลองดูก่อนเป็นพระนิพพานล่วงหน้าและมีรสอย่างเดียวกันหรือทำนองเดียวกับรสของพระนิพพานที่แท้จริงหากแต่เป็นเรื่องชั่วคราวเป็นเรื่องที่เป็นไปในระหว่างที่กิเลสสงบระงับเพราะอำนาจของฌานไม่ใช่กิเลสสูญหายเหือดแห้งไปจริงเมื่อหมดกาลังของฌาน กิเลสก็กลับมาปรากฏอีกขณะที่กิเลสสงบรำงับอยู่ด้วยอำนาจของฌานจิตนี้ก็ว่างโปร่งเป็นอิสระมีรสชาติคล้ายกันกันกบรสของนิพพานที่แท้จริงเหมือนกันฉะนั้นจึงเป็นสาเหตุให้หลงติดได้เหมือนกันบางยุคเคยบัญญัติว่าเป็นนิพพานกันมาแล้ว กิเลสอันละเอียดข้อที่7ที่เรียกว่าอารูปราคะหมายถึงความพอใจติดใจในความสุขที่เกิดมาแต่อรูปสมาบัติเป็นเรื่องคล้ายกับข้อที่6ผิดกันแต่ว่าชั้นนี้ละเอียดประนีตขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งการเจริญฌานโดยมีสิ่งที่มีรูปเป็นอารมณ์สำหรับเพ่งนั้นย่อมได้ความสงบที่เนื่องอยู่กับรูปนั้นๆเพราะฉะนั้น จึงหยาบกว่าการเจริญฌานอันกําหนดเพ่งสิ่งที่ไม่มีรูปเช่นอาการหรือความว่างเปล่ามาเป็นอารมณ์ได้ผลเป็นความสงบเงียบสุขขมลึกซึ้งกว่าความสงบที่เป็นรูปฌานท่านจึงจัดไว้ในลำดับหลังจากรูปฌานและเรียกว่าอะรูปความพออกพอใจติดใจในความสุขสงบชนิดนี้เรียกว่าอารูปราคะ ฉะนั้นสำหรับผู้ที่จะเป็นพระอระหันต์จะหลงไหลในสุขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยไม่ว่าสุขเวทนานั้นจะเกิดมาจากอะไรเพราะตามธรรมดาของพระอระหันต์จะมองเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของความรู้สึกทุกชนิดจึงไม่อาจจะมีความติดใจในความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้น จึงละรูปราคะและอรูปราคะได้โยคีฤษีอื่นๆที่บำเพ็ญรูปฌานหรืออรูปฌานตามป่านั้นมองไม่เห็นความลี้ลับของสุขเวทนาจึงติดแน่นอยู่ในรถของฌานหรือสมาบัตอย่างหลงไหลทิ่นเดียวกับคนหนุ่มคนสาวตามธรรมดาธรรมดาที่มีจิตติดแน่นหลงไหลอ ย, อยู่ในรถของกามคุณท่านจึงใช้คําว่าราคะอย่างเดียวกันหมด ถ้าท่านทั้งหลายพิจารณาให้เข้าใจในเรื่องนี้จริงๆแล้วก็จะพอใจหรือเลื่อมใสบูชาในบุคคลที่เรียกว่าพระอริยเจ้านั้นอย่างยิ่ง mm. เครื่องผูกคนให้ติดอยู่ในโลกข้อที่8เรียกว่ามานะได้แก่ความรู้สึกสำคัญตัวว่าเป็นนั่นเป็นนีเนน่เป็นชั้นเป็นเชิง ว่าเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขาเราดีหรือสูงกว่าเขาถ้ารู้สึกว่าตนเลวกว่าก็น้อยใจรู้สึกว่าตนดีกว่าก็ทะ น, นงใจรู้สึกว่าเสมอเสมอกันก็นึกไปในทางที่จะแข่งขันหรือทำตนให้ก้าวหน้ากว่าเขาทำนองนี้เป็นต้นข้อนี้ไม่ได้หมายถึงมานะทิฏฐิด้วยความเย่อหยิ่งจองหองตามธรรมดา ย่อมเป็นการยากมากที่จะไม่ให้ใครๆตามปกติรู้สึกว่าตัวดีกว่าเขาเลวกว่าเขาในทํามนองนี้กิเลชนิดนี้มาอยู่ในอันดับที่8เกือบสุดท้ายเช่นนี้ย่อมหมายความว่ามันละยากจึงมาอยู่แทบจะรั้งสุดท้ายซึ่งพระอริยเจ้าชั้นสูงสุดเท่านั้นที่จะละได้ชั้นเราๆตามธรรมดาจึงยังละไม่ได้ ควรู้สึกว่าตนดีกว่าหรือเสมอกันหรือตนเลวกว่าเขานี้ย่อมมาจากความยึดติดชนิดหนึ่งนั่นเองแต่ท่านไม่ใช้ชื่อว่าอุปทานใช้ชื่อว่ามานะแต่ถ้าจิตใจอยู่เหนือความดีความชั่วเสียแล้วความรู้สึกต่างๆเช่นนี้จะมีอยู่ไม่ได้แต่เพราะจิตใจของเรายังแพ้ต่อค่าของความดีความชั่วฉะนั้นเราจึงมีความรู้สึกว่า ใครดีใครชั่วหรือใครเสมอกันเป็นเหตุให้ใจวันไหวไปบ้างเพราะเหตุที่รู้สึกเช่นนั้นอยู่จึงยังไม่เป็นความสงบสุขจริงๆสังโยชน์ข้อที่9เรียกว่าอุททัจจะแปลว่าความกระเพื่อมความฟุง้งหรือความไม่สงบนิ่ง เช่นความรู้สึกที่กระบพือขึ้นในเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่น่าสนใจผ่านมาคนเรามีความต้องการอะไรอะไรประจำอยู่ในใจโดยเฉพาะก็คือความอยากได้อยากเป็นอยากไม่เอาอยากไม่เป็นเมื่อสิ่งใดผ่านตาหูจมูกลิ้นกายมาในลักษณะที่ตรงกับความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของตนเข้าแล้วความกระพือขึ้นของใจ ย่อมมีได้อย่างที่เราเรียกว่าความทึ่งทึ่งในแง่ดีก็ได้ทึ่งในแง่ร้ายก็ได้ถ้าดูแปลกประหลาดแล้วเป็นต้องเกิดความสงสัยทึ่งขึ้นมาทีเดียวเพราะว่าเรายังมีสิ่งที่เราต้องการยังมีสิ่งที่เราหวาดกลัววิตกกังวลระแวงอยู่ฉะนั้นใจจึงทนไม่ได้ต้องทึ่งต่อสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาคนธรรมดาเป็นอย่างนี้ ถ้าเป็นสิ่งที่ถูกกับตัณหาแล้วก็ยากที่จะระงับได้ย่อมสนใจจนเนื้อเต้นดีใจจนลืมตัวถ้าเป็นเรื่องเศร้าก็ทำให้ใจแฟบเหี่ยวแห้งจนหมดความสุขนี่คือลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าอุทธจัจจพระอริยเจ้าสามประเภทข้างตน้น ก็ยังมีความทึ่งและความสนใจในบางสิ่งบางอย่างแต่พระอรหันต์ไม่มีความทึ่งไม่มีความสนใจในสิ่งใดเลยเพราะจิตใจของท่านหมดความกระหายในสิ่งทั้งปวงหมดความกลัวหมดความเกลียดหมดความวิตกกังวลหมดความระแวงสงสัยอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆท่านมีจิตใจเป็นอิสระ ไม่มีอะไรมาล่อหรือยั่วให้เกิดความทึ่งหรือความสนใจเพราะหมดความต้องการนั่นเองจึงหมดความสนใจหรือข้อสงสัยทั้งปวงขอให้เข้าใจไว้ด้วยว่าความสงสัยในปัญหาต่างๆนั้นมันมีอยู่หรือมันเกิดขึ้นก็เพราะความอยากอ ย, ากอย่างใดอย่างหนึ่งนับตั้งแต่อยากรู้ไปทีเดียว ครั้นหมดความอยากเพราะเห็นสิ่งทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นจึงไม่มีความทึ่งในสิ่งใดๆฟ้าผ่าลงมาข้างๆท่านก็ไม่มีความทึ่งเพราะไม่มีความรู้สึกกลัวตายหรืออยากอยู่หรืออะไรทํำนองนั้นแม้จะมีอะไรอะไรที่ร้ายแรงชนิดไหนหรือว่าเกิดมีความรู้ความคิดสิ่งใหม่ๆในโลก ท่านก็ไม่มีความทึ่งความสนใจเพราะมันไม่มีความหมายอะไรเลยสาหรับท่านท่านไม่ต้องการทราบถึงสิ่งใดในลักษณะที่ว่ามันจะอำนวยอะไรให้ท่านได้บ้างเพราะท่านไม่ต้องการอะไรฉะนั้นจึงไม่มีความทึ่งในลักษณะใดๆหมดจิตของท่านจึงบริสุทธิ์หรือสงบอย่างที่คนเราตามธรรมดาคาดไม่ถึงเอาทีเดียว กิเลส ข, ข้อสิอันเป็นข้อสุดท้ายท่านเรียกว่าอาวิชชาเป็นที่รวมของบรรดากิเลสทั้งหลายที่ไม่ได้ระบุชื่อไว้เป็นอย่างอื่นคำว่าอาวิชชาแปลว่าภาวะที่ปราศจากความรู้ความรู้ในที่นี้หมายถึงความรู้จริงความรู้ถูกต้องตามธรรมดาสัตว์ทั้งหลายจะอยู่โดยไม่มีความรู้อะไรเลยนั้นเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าความรู้นั้นเป็นความรู้ผิด ก็มีค่าเท่ากับไม่รู้คนจึงมีอวิชชาหรือรู้ผิดอยู่เป็นประจำจึงมืดมนปัญหาสาคัญที่สุดของมนุษย์ก็คือปัญหาที่ว่าอะไรเป็นความทุกข์ที่แท้จริงอะไรเป็นต้นเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดทุกข์อะไรเป็นความไม่มีทุกข์ที่แท้จริงและอะไรเป็นหนทางอันแท้จริงซึ่งจะให้ได้มาซึ่งความไม่มีทุกข์นั้ น, น, น ถ้าใครมีความรู้จริงๆแล้วเรียกว่าคนนั้นไม่มีอวิชชาจัดเป็นผู้มีวิชาในที่นี้บรรดาความรู้ทั้งหลายมีมากมายเหลือที่จะกล่าวได้แต่พระพุทธเจ้าท่านทรงจัดไว้ในจาพวกที่ไม่จาเป็นต้องรู้ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเองก็มีขอบเขตอยู่แต่ในวงเรื่องที่ควรรู้ ในบรรดาสิ่งที่ควรรู้แล้วพระองค์ทรงรู้ทั้งหมดคำว่าสัพพันยุคือรู้ทั้งหมดก็คือการรู้แต่ในขอบเขตที่ควรรู้ไม่ใช่ว่าจะครอบคลุมไปถึงสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องรู้สําหรับการดับทุกข์อวิชชาทำให้คนสำคัญผิดในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นความสุข จนถึงกับพอใจ ย, ยอมเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์และสำคัญผิดในเหตุของความทุกข์จนไปคว้าเอาสิ่งที่ผิดไว้หรือเกิดความโมง่เขลาใหม่ๆขึ้นมาเช่นการโทษผีสางเทวดาโทษอะไรต่างๆว่าเป็นเหตุให้เกิดเจ็บไข้หรือเคราะห์ร้ายแทนที่จะรักษาหรือแก้ไขโดยวิธีที่ถูกต้องก็ไปนั่งบนบานผีสางเทวดาอยู่อย่างเนี้ยนี่เรียกว่าอาวิชชา เป็นต้นเหตุของความทุกข์ชั้นต่ําที่สุดนี่เป็นตัวอย่างสําหรับอวิชชาในเรื่องความดับสนิทของทุกนั้นคือไม่รู้เรื่องการดับกิเลสดับตัณหาซึ่งเป็นต้นเหตุของการดับทุกข์โดยตรงไปหลงเอาความสงบสุขหรือความไม่รู้สึกตัวชนิดที่เกิดมาจากสมาธิหรือฌานสมาบัติว่า เป็นความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงซึ่งมีดาดดื่นในสมัยพุทธกาลและยังคงส่งเสริมทํากันจนถึงบัดนี้บางครั้งยังอาจถึงกับยึดเอาการมรรมเป็นเครื่องดับทุกขอย่างที่บางคนได้ยึดเป็นหลักไว้ว่าการมรรมเป็นของจําเป็นมากหรือเป็นอาหารสําหรับชนิดหนึ่งของชีวิตแทนที่จะมีปัจจัยเพียงสี่อย่างคืออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัย และยารักษาโรคก็เพิ่มเอากมามรมเข้าไปอีกอย่างหนึ่งรวมเป็นปัจจัยห้าอย่างอย่างนี้ก็มีบางลัทธินิกายได้เอากมามรมเป็นเครื่องดับทุกข์จึงเกิดเป็นลัทธินิกายที่มีการกระทำอนนาบัดศีลามุกอนาจารขึ้นที่วิหารของเขานั่นเองสำหรับอวิชชาความไม่รู้ในหนทาง ที่จะให้ได้มาซึ่งความดับทุกขนั้นคนที่ไม่รู้ก็ย่อมทำไปตามความเข่าหรืออำนาจกิเลสตัณหาตามความต้องการของตนเองเช่นหลงเชื่อในสิ่งภายนอกคอยแต่พึ่งผีพึ่งเทวดาไปตามประษาของคนที่ไม่มีศาสนาแม้จะเป็นพุทธบริษัทโดยกำเนิดอยู่แล้วก็ยังหลงไปได้ถึงขนาดนั้นเพราะอานาจของอวิชชานั่นเองทาให้ไม่เข้าใจหรือยินดีในการดับทุกข์ โดยปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ดแต่ไปดับทุกข์ของตนด้วยการจุดทูปเทียนนั่งบนบานสิ่งที่ตนเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ตามปกติคนต้องการมีความรู้แต่ถ้าความรู้นั้นเป็นความรู้ที่ผิดเมื่อยิ่งรู้มากก็ยิ่งผิดมากเลยกลายเป็นความรู้ชนิดที่บังลูกตาคำว่าแสงสว่าง แสงสว่างนี้ก็ต้องระวังอาจจะเป็นแสงสว่างของอวิชชาก็ได้คือแสงที่ทำให้ตามืดบอดหลงผิดและทำให้เกิดความประมาทโดยไม่อาจสํานึกตนว่าขณะ น, นี้ตนกำลังถูกแสงของอวิชชาบังลูกตาอยู่จึงไม่สามารถเอาชนะความทุก์ได้มัวแต่ล้มในสิ่งเล็กน้อยไม่เป็นสาระอย่างเทิดทูนบูชา หลงไหลในกามารณมต่างๆว่าเป็นสิ่งดีที่สุดของมนุษย์ซึ่งทุกคนควรจะได้รับเสก่อนที่จะตายแล้วจะแก้ตัวว่าทำเพื่ออุดมคติอันอื่นอย่างไรได้การหวังไปเกิดในสวรรค์โดยหมายเอาการมารมเป็นที่ตั้งอะไรๆก็ไปติดอยู่แค่กามารณมทั้งนั้นนี่เพราะอาวิชชาได้หุ้มห่อจิตใจไว้อย่างไม่ให้ใครทะลุรอดออกไปได้ ในพระบาลีบางแห่งได้อุปมาณอาวิชชาว่าเหมือนกับเปลือกหนาที่หุ้มโลกทั้งหมดไม่ให้ใครได้เห็นแสงสว่างที่แท้จริงท่านจัดอวิชชาไว้เป็นกิเลสข้อสุดท้ายเป็นอันว่าเมื่อเป็นพระอรหันต์จึงตัดกิเลสห้าอย่างข้างท้ายได้หมดคือตัดรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะและอวิชชา ซึ่งเป็นการตัดสังโยชน์ได้ทั้งส0บอย่างแล้วก็จะกลายเป็นพระอระหันต์คือเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาพระอริยเจ้าทั้งสี่ประเภทกล่าวคือพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและอระหรนันต์นี้จัดว่าเป็นผู้ที่อยู่ในโลกุตรภูมิ ตัวธรรมะที่ได้บรรลุเรียกว่าโลกุตรัธรธรมแยกออกเป็น9ก้าอย่างคือภาวะของพระโสดาบันในขณะที่กำลังตัดกิเลสนั้นเรียกว่าโสดาปฏิมักอย่างหนึ่งเมื่อตัดกิเลสได้แล้วเรียกว่าโสดาปฏิผลอีกอย่างหนึ่งจึงเป็นคู่คู่คือโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกิธาคามมัก สกิทาคามิผลอนาคามิมักอนาคามิผลอรหัตตะมักอรหัตตะผลเป็นสี่คู่เติมนิพพานเข้าอีกหนึ่งจึงเป็น9เรียกว่าโลกุตรธรรม9้าบุคคลในโลกุตรภูมิเป็นผู้มีความทุกน้อยลงตามสัสดส่วนจนกระทั่งไม่มีทุกเลย เมื่อมีการกระทําให้รู้แจ้งชนิดที่ถูกต้องเหมือนสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงจนระงับความอยากทั้งปวงได้จริงๆแล้วก็จะเกิดผลเป็นโลกุตรภูมิขึ้นมาทาให้จิตใจของผู้นั้นอยู่เหนือวิสัยชาวโลกหลังจากนี้สิ่งต่างๆซึ่งเป็นที่ตั้งของความพอใจหรือไม่พอใจในโลกก็ไม่สามารถจะครอบงาจิตใจหรือมีอิทธิพลเหนือจิตของท่านได้อีกต่อไป เพราะท่านละกิเลสทุกชนิดได้หมดจดสิ้นเชิงส่วนที่เรียกว่านิพานนั้นถ้าเป็นเรื่องโลกุตตรธรรมก็หมายถึงสภาพอย่างหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับสิ่งใดๆคือไม่เหมือนกับสิ่งทุกสิ่งในโลกผิดจากทุกสิ่งในโลกเมื่อทางโลกหรือสิ่งทั้งหลายมีภาวะเป็นอย่างไร ถ้ายกเลิกภาวะและวิสัยเหล่านั้นทั้งหมดเสียได้ก็จะเหลือสิ่งที่เรียกว่านิพพานกล่าวคือสภาพตรงกันข้ามจากโลกโดยประการทั้งปวงเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ต้องอาศัยสิ่งใดปรุงแต่งและไม่ปรุงแต่งสิ่งใดเป็นที่ดับของการปรุงแต่งทั้งปวงแต่ถ้าจะกล่าวทางผลนิพพานก็หมายถึงภาวะที่ปราศจากการถูกเผาล่นปราศจากการถูกตบตีทิ่มแทงร้อยรัดครอบงำ โภพันอะไรทั้งหมดเหล่านี้เพราะว่ากิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุทําให้ร้อนอกร้อนใจต่างๆนาน า, นาได้ถูกทําลายให้หมดไปก่อนจะถึงภาวะที่เรียกว่านิพพานนิพพานเป็นธรรมชาติอันหนึ่งไม่มีขอบเขตไม่ต้องอาศัยการกินเนื้อที่ไม่ขึ้นอยู่กับการล่วงไปของเวลาหรือไม่เกี่ยวข้องกับการเวลาแต่อยู่ในลักษณะเป็นตัวของตัวเองชนิดหนึ่ง ไม่เหมือนกับอะไรอะไรในโลกแต่เป็นที่ดับของภาวะโลกภาวะโลกพูดในฐานะเป็นอุ ป, ปมาถ้าในานามว่าเป็นแดนที่ดับของสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงจึงเป็นธรรมชาติที่อิสระปราศจากเครื่องผูกมัดไม่มีการถูกทรมานกระทบกระแทกทิ่มแทงโดยอะไรอะไรทั้งสิ้นนี่เป็นลักษณะของโลกุตรธรรมข้อสุดท้ายเป็นจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนา เป็นเรื่องสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมะทางพุทธศาสนาอย่าเข้าใจไปว่าต้องเรียนมากต้องปฏิบัติ ลำบากจึงพ้นได้ถ้ารู้จริงสิ่งเดียวก็ง่ายได้รู้ดับให้ไม่มีเหลือเชื่อก็ลองเมื่อเจ็บไข้ความตายจะมาถึง อ, อย่าพรั่นพรึงหวาดไหวให้หมนหมองระวังให้ดีดีนาทีทองคอยจดจ้องให้ตรงจุดหลุดให้ทัน ถึงนาทีสุดท้ายอย่าให้พลาดตั้งสติไม่ประมาทเพื่อดับขันด้วยจิตว่างปล่อยวางทุกสิ่งอันสารพันไม่ยึดครองเป็นของเราตกกระไดปลอยโจรให้ดีๆจะถึงที่มุ่งหมายได้ง่ายเข้าสมัครใจ ดับไม่เหลือเมื่อไม่เอาก็ดับเราดับตนดนนิพพาน